หัวข้อต่อไปผมอยากจะกลาวในวัชการเรียนถามพระอาจารย์ว่าคารวะที่มีปัญหาเรื่องความรักคือว่าสมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งไม่ว่าการวางใจในปัจจุบันจะทํำยังไงดีครับเนื่องจากว่าผมเห็นข่าวทุกวันนี้คือคารวะวุ่นวายเกี่ยวเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นสมหวังมั่งหรือว่าไม่สมหวังมั่งพระอาจารย์มีแนวทางจะให้ธรรมะง่ายๆกับคารวะก็ก็ ก็ขอโมทนากับโยมโจ้แล้วก็พร้อมด้วยคณะที่ได้มาถวายพระทหารนะให้กับาพาภิกษุแล้วก็มีการได้สนทนาพระธรรมกันสืบเนื่องจากตอนเช้าก็คือถามเกี่ยวในเรื่องของการทำบุญวันเกิดแล้วก็ถามเกี่ยวในเรื่องของชีวิตเกี่ยวเรื่องการทำงานทีนี้ก็เลยมาถามเกี่ยวในเรื่องของสังคม เกี่ยวเรื่องการที่บอกว่าเรื่องความรักพอพูดถึงตรงนี้บอกว่าลักษณะของความรักบอกว่าบางคนก็จมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีรักเนี่ยนะถ้าในชั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นสองลักษณะใช่ถ้ารักแบบตันหาตันหาเนี่ยแปลว่าความยึดติด ธรรมชาติที่มีความติดหรือยึดติดในอารมณ์เนี่ยธรรมชาติที่มีความอยากได้ยินดีแล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ก็ผู้ใด ห, หลายลักษณะเช่นความรักไม่ใช่รักอย่างเดียวรักแบบยึดติดเขาเรียกว่าอุปาทา น, นมีความยึดติดโดยความเป็นเราโดยความเป็นของของเราถ้ายึดติดในลักษณะอย่างนั้นเป็นสภาพของตัณหา ความรักโดยตัณหาเนี่ยเป็นความรักในการที่ต้องการจะเสพต้องการจะบริโภคต้องการที่จะมายึดติดมาเป็นของเราแต่การรักในลักษณะอย่างเนี้กลับกลายเป็นตัวเพิ่มเป็นเหตุของวัฏโทปฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัส ถ, ถึงในเรื่องของตัณหาเนีเป็นเหตุของทุกข์ถามว่าเป็นเหตุของทุกข์ก็คือความยินดีพอใจในรูปวิยินดีพอใจในสีเนี่ยความยินดีพอใจในเสียงในกลิ่น ในรถในสัมผัสหรือในสภาพของบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติโดยฐานะว่าคนคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกของเราพอไปยึดติดในลักษณะอย่างนี้ก็เลยไม่ยอมสละไม่ยอมปล่อยแล้วก็ไม่ยอมวางวัตถุชิ้นนั้นเมื่อความยึดติดเนี่ยหนานแน่นขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นไป ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกความรักในการที่หวงต้องการที่จะเสพต้องการจะบริโภคเนี่ยนะถ้าอย่างนี้นํามาซึ่งความทุกข์แต่ความรักที่พระองค์ทรงแนะนําหรือความรักที่ทรงกล่าวเนี่ยหมายถึงความรักลักษณะแบบเมตตาใช่ไหมเมตตาก็คือมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อท อ, อนไอความปรารถนาดีและเอื้อท อ, อนที่เป็นไปในรักทั้งเมตตาเนี่ยเป็นการหยิบยื่นประโยชน์ไปให้ เช่นเมตตากายกรรมก็คือทาสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาทำตอนหน้าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เรามีอาชีพเกี่ยวน่เรื่องการบริการบนเครื่องบินเนี่ยเถ้าเราทาด้วยตัณหาเช่นการกระทาในลักษณะอย่างนี้เราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงต้องการให้คนชื่นชมตัวเราชื่นชมองค์กรของเราหรือมีความใช้บริการของเราแล้วก็มีความยึดติดในอัตตาตัวตนอย่างแข็งแรงเลย ในลักษณะอย่างนี้จะต้องทุกตลอดหนึ่งทุกในการที่จะต้องปรับปรงุงในการแสวงหาในการที่จะทำสองต้องการทุกก็ต้องการรักษาสถานะอันนั้นเข้าไว้แล้วก็สมก็คือเวลามันแปลเปลี่ยนไปไม่ได้ตามที่ตนเองต้องการก็เป็นทุกก็เจ็บปวดก็ในกรณีแห่งความรักของระหว่างสามีภรรยาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันใหม่ๆยังไม่ได้แต่งงานกันก็แสวงหาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มา ทีนี้พอได้มาเบียดเสด็จก็คือทุกในการที่จะต้องคอบครองดูแลประคบประงมในการที่กลัวสิ่งนั้นมันจะแปลมันจะเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกข์เพราะการรักษาอีกแต่ที่สุดจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้เพราะมันเป็นไปตามความจริงของชีวิตที่มันจะต้องมีการแปลเปลี่ยนไปหรือว่ามีการแปลไปเป็นธรรมดาเนี่ยแต่พอมันแปลไปจริงๆเบียดเสด็จนั้นก็ทําใจไม่ได้ก็มานั่งทุกข์ระทมกันอยู่ อันนี้บ่งบอกถึงความรักที่มาจากตัณหาใช่มแต่ถ้าความรักนี้ที่เป็นไปกับเมตตาเนะี่ยมันให้มีความเมตตามีความปรารถนาดีที่ต้องการจะทำให้เพราะเห็นว่าความดีคือความดีไงต้องการที่จะพัฒนาตนเองเข้าถึงกระแสของความดีแล้วมันเป็นความอิสระมันเป็นความปล่อยวางนะรักได้ได้ทำให้ได้ปฏิบัติ แล้วก็เข้าใจด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นจารีตศีลอย่างไรเป็นไปกับกุศลอย่างไรที่บอกว่าเป็นการประพฤติที่ไร้โทษที่เป็นไปกับกายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตแล้วก็ใจก็สุดจริตกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยแท้ซึ่งมันเป็นความรักที่ถ้ากระทออกทางกายเขาเรียกกายกรรมที่เป็นเมตตา ถ้าพูดแต่ละคำก็มีจิตที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีเป็นตัวขับเคลื่อนให้คำพูดนั้นเปล่งออกมาด้วยความปรารถนาดีกับคนรอบข้างส่วนทางใจนั้นก็มีแต่ความปรารถนาดีให้เขามีความสุขให้มีเขามีความสุขเขขช่นเราเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาก็ปรารถนาให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์ให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิต เขาปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบเป็นไปด้วยกุศลก็ขอให้ความปรารถนาของเขาเนี่ยจงสําเร็จโดยง่ายโดยสะดวกโดยโดยพันแล้วก็โดยเร็วมันมีแต่ให้แม้ทั้งต่อหน้าก็เป็นแบบนี้รับหลังก็เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ากายกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมที่เป็นเมตตาแล้วก็มโนกรรมที่เป็นเมตตาอย่างเนี้รักลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่เป็นอิสระเป็นเสรีภาพไม่ต้องเป็นทาตของความอยากความต้องการ ไม่ต้องมีใครมาบงการในการที่จะต้องกระทําแบบชนิดที่มีโมหะเป็นตัวแวดล้อมนี่ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นความรักที่เป็นไปกับเมตตาก็จะมีความรักความปรารถนาดีเช่นถ้าเมตตากายกรรมต่อหน้าก็มีการกระทําเช่นมีปัดมีกวาดมีการบริการด้วยการหยิบยื่นให้ด้วยการใช้มือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในการประพฤติประโยชน์ให้แต่ในขณะประพฤติประโยชน์ให้นั้นใจก็เป็นไปกับความสุข เป็นไปกับความสุขที่ได้ทําที่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นคําเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็คือพูดไงใช้คําพูดด้วยความประกอบประโยชน์แนะนำด้วยดวยสิ่งด้วยเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะมีใจที่เป็นไปกับเมตตาแล้วก็มีการบอกประโยชน์บอกอานิสงส์บอกเหตุผลว่าทําไมถึงต้องให้ทําอย่างไรถึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นต้นเหล่น อันนี้ก็แปลว่าวาจีกรรมก็เป็นใบกับเมตตาส่วนมโนกรรมนั้นในใจไม่เคยคิดร้ายเลยไม่โกรธไม่อิจฉาไม่ลิสยาไม่ดูหมิ่นเพียงมีแต่จิตใจในการที่จะน้อมให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายโดยเร็วโดยง่ายโดยสะดวกนะปรารถนา ย, ยถาบรรดาศกดิ์ ก, ก็สมความปรารถนานะในกระแสของชีวิตนั้นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลย ความคิดในลักษณะอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนี้เขาเรียกว่ารักแท้รักแบบนี้เนี่ยไม่ใช่รักในการที่จะครอบครองหึงหวงต้องการที่จะเสพต้องการจะบริโภคต้องการที่จะยึดติดว่าเอาของของนั้นมาเป็นของเราถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่เป็นตันหาเป็นความรักที่ไม่ได้ปล่อยวาง ใ, ใดๆเลยที่สุดจริงๆมันจะติดตันเพราะปัญญาไม่ได้ทำกิจไม่ได้เห็นเหตุผลที่แท้จริง ที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้ดิบได้ดีอะไรได้เลยก็จะต้องจอมปักอยู่อย่างนั้นแหละก็วนเวียนอยู่ในในความคิดที่เป็นความสับสนและวุ่นวายที่มีโมหะคืออวิชชาเนี่ยเป็นตัวกลางกั้นอยู่ไม่มาไม่สามารถจะคิดออกจากวงจรของความความคิดที่ถูกต้องได้เพราะมีตัวโมหานี่ปิดบงังปิดบังปัญญาอยู่ก็ไม่รู้ความจริงว่าการกระทํา ถ้าถามบ อ, อกว่าทําไมเราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนแบบนี้อย่าลืมเป็นจารีตศีลน เ, นเป็นไปกับพระธรรมคาสอนของพระเจ้าหรือทําไมต้องปฏิบัติต่อคุณแม่แบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมเรารักแม่ใช่ไหมแต่เราไม่รักด้วยตัณหารักด้วยฐานะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทีนี้การเลี้ยงท่านตอบเนี่ยเลี้ยงแบบไหนก็เลี้ยงด้วยทางกายอย่างหนึ่งเลี้ยงด้วยทางวาจาให้คำพูดที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานอย่างหนึ่ง เลี้ยงด้วยจิตใจก็หมายความว่าให้จิตใจในการปรารถนาดีเอื้อทรอกับท่านจ ร, จริงๆอย่างนั้นอย่างหนี่งและอย่างหนึ่งก็คือว่าทํากิจของท่านท่านเคยทํากิจใดๆก็พยายามช่วยอนุเคราะห์ในการที่ทํากิจของท่านแม้ในขณะทําไปก็ไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวล ใ, ใดๆเลยทําไปได้มีความสุขที่ได้เจริญกุศลได้พัฒนาทําให้กระแสชีวิตของตนเองนั้นเข้าถึงความดีงามทั้งหลายเหล่านี้สภาพจิตก็เป็นไปกับกุศลที่ได้ปฏิบัติผู้มีอุปการะคุณเป็นต้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติกับคุณแม่ได้ถูกต้องไอ้คาว่าดํารงวงตระกูลก็หมายความรักษารักษาสถานะความเป็นไปของตระกูลนั้นให้เป็นไปโดยชอบโดยดีแล้วก็ทําตอนนี้เหมาะสมกับที่ตนเองได้รับฐานนะของความเป็นบุตรนี่นะเมื่อท่านไม่อยู่ล่วงละไปแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ต่อเนื่องในการที่ทําบุญในการที่อุทิศให้ท่านอย่างนี้เนะีถ้าเราดูอย่างนี้นะว่าตอนนางนันทมาดา ที่ตอนที่ท่านอยู่บนปร า, าสาทชั้นที่เจ็ดที่เป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยเออตอนที่ท่านสาธยายปรายนสูตรอยู่ท่านสาธยายอยู่ใช่ั้ยที่ช่องหน้าต่างตอนนั้นเออเท้าเวสว ร, ร์นะ ทเทวสวรรมาพร้อมด้วยบริวานพอได้ยินเสียงกําลังสวดด้วยทํานองสรพัญญาก็เพลาะอยู่ไหมท่านก็เลยยืนฟังอยู่บนอากาศฟังบนมมือฟังนี่นึงพอฟังจบท่านก็อุทานบอกว่าสาธุพ ค, คีนีบอกสาทุพี่หญิงสาทุพี่หญิงสาทุพีหญิงอะทําไมเรียกอย่างนั้นทเทวสุวรรเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแต่นางนั้นถ้ามาดาเนี่ยเป็นผ้านาคาเป็นอุบาสิกาเนี่ยเนีท่านก็ อุทานสาวทุกพี่หญิงสาธทุพี่หญิ ง, ญงท่านก็นมาเล่าให้ภาษารีบุตรฟังและให้พระโมฆ ANA ละนะฟังถามว่าในกรณีอย่างนี้ก็เลยถามว่าท่านผู้มีหน้างงามท่านมีนามว่าอะไรท่านก็บอกกับท่านเน่ยคือเท้าเวสวุวรรณเนะเป็นพระราชาเป็นพระราชาในจาตุมนี่เนะปกครองยักษ์นีน่เนาะเก็เลยถามบอกว่าถ้าอย่างนั้น ทำปริยายะคือที่ท่านสาธยายปรายนาสูตรเนี่นะข้าพเจ้าก็ขอเอาธรรมะเหล่าเนี้ยเป็นเครื่องบรรณาการต้อนรับท่านท่านก็สาธุโอยดีใจใเกิดใช่ไหมเป็นการต้อนรับชั้นสูงใช้พระธรรมต้อนรับเหมือนยอมโจมมหามาเนี่ยเห็นว่าเป็นวันเกิดใช่ไหมเอามาไม่มีเครื่องเครื่องอะไรอย่างอื่นมาก็เขาเอาพระธรรมของพระเจ้าต้อนรับอย่างนี้ก็าจะต้อนรับโดยธรรมทีนี้ใจพระธรรมของพระเจ้าเนต้อนรับ ทีนี้ท้าวเวสวรรก็บอกว่าวันพรุ่งนี้พระสารีบุตรพระโมคคารนะพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่จะมาในที่นี้ยท่านจงอังคาดคือจนถวายอาหารเพราะท่านยังไม่ได้จายอาหารตอนเช้าเนี่ยนยท่านจงถวายอาหารเดี๋ยวพระสารีบุตรพระโมคคารนะแล้วก็ภิกษุสองหมู่ใหญ่ด้วยแล้วเมื่อท่านถวายเสร็จเนี่ยจะลื่อบุญทิศเ่ ส, สนกุศลให้กับพระเจ้าด้วยสรุปก็คือว่าท่านฝากท่านขอบุญไว้สองส่วน ในกรณีอย่างนี้เหมือนกันเราเนี่ยในฐานะที่เป็นจาพุษัน์ว่าเลือกพูดเรื่องความรักถ้ารักจริงเข า, ารักยังไงรักจริงก็คือว่าญาติเราท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วนะ่มีเยอะที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยทุกคนเคยมีญาติตายกันทั้งนั้นเลยถ้าในสังสารวัฏที่ผ่านมาแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะเราเป็นสัตว์ที่ตายได้อะเดี๋ยวลมหายใจเราก็ขาดใชไชีวิตมันเป็นแบบนี้ ก็คือว่าเมื่อเราถึงวาระแห่งการได้เจริญกุศลก็ย่าลืมบุทิศส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายดูเพราะท่านเหล่านั้นที่เป็นคนดีทั้งหลายท่านต้องการนะต้องการในการที่จะต้องการที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลสรุปตรงนี้ก็คือว่าถามเรื่องความรักท้ารักนั้นน่ยถ้ารักแท้ๆเนี่ยต้องรักที่มีตตาแต่ถ้ารักไม่แท้เนี่ยรักเทียมเนี่ยเขาเรีกเยกว่ารักแบบตันหา รักแบบตันหาก็คือการสร้างปัญหาคือสร้างปัญหารักแล้วก็ยึดติดแล้วก็หวงเห็นแล้วอุปาทานก็เยอะที่สุดจริงๆมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างมากมายเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนไปเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยก็เจ็บปวดก็เจ็บปวดก็กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกันเยอะแยะเพราะมันจะนํามาซึ่งความโศกความล่ำเลาลาพันธ์และไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจ แต่นี้ทุจริตทั้งหลายก็จะตามมาเอาเพราะความรักที่ผิดพลาดนี่แหละทั้งกายทุจริตบ้างวัจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างบาปอากุศลธรรมอลามกที่ไม่เกิดก็จะเกิดอันนี้มาจากความรักผิดพลาดนั้นเมื่อรักผิดพลาดเนี่ยมันจะตามมาด้วยความโศกความล่ําไรลําพันธ์แล้วก็กระทำทุจริตสา ม, มีกายย่ทุจริตเป็นต้นที่สุดจริงๆเราก็เจ็บปวดเพราะการทําชั่วของเรานเนั่ยแหละฉะนั้นการรักที่ผิดพลาดจึงนํามาซึ่งความเสียหาย แต่ตารักที่ถูกทางที่เป็นไปกับเมตตามันเป็นไปกับสุดจริตส ม, มันเป็นไปกับการแบบพืชที่ไร้โทษไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาและไม่มีโทษทางใจตัวสุดจริตสก็ทําให้เราได้สุขใช่ไหมได้รับความสุขได้รับความดีงามก็จะเมื่อตัวเราเองเนี่ยมีแต่กุศลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางกายทางวาจาและทางใจปรับชีวิตของตนเองได้ก็ชื่อว่าปรับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยส่วนคนที่รักผิดพลาด ตนเองก็เครียดวิตกกังวลด้วยกระแสชีวิตตรงตัเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมอึมครึมที่สจริงก็นุงนางไปด้วยปัญหาแล้วก็ติดตันทางด้านปัญญาก็ไม่สามารถที่จะออกจากสภาพของปัญหาได้แล้วก็กลายเป็นวิตกกังวลกันอยู่เย็นทุกวัน <c oughs>